ทุชนพุทธบริษัท ต, ต่างยก่อนเวลาที่จะเจริญธกรรมาฐานใกล้ก้ามแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญธักรรมาฐานสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเปรต แต่ว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเบมานี้กเปรตเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีมีมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนางฟ้ารปรอมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่สเสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาเรียกว่าจะพูดกันสั้นๆเรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นปเปรตเปรตประเภทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโนธนาส่วนกุศล รวมความว่าคำว่าเปรตข้ามันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไปด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศษของกรรมมาจากนรกมันดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนคนจากนรกคุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมโลกเยียนนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเสด็จของความเป็นสัตว์นรกจึงเหลืออยู่ก็มาไปเป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิบสองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสอระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์ที่ฉัน จะตปวียนฉัก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จาทั้งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนเมตตาปราณีจิงได้จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สวัยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็มบริความแรงแค้นเต็มบริความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดจะเป็นกฎโคตเศษกของกรรมากนั้นขออนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญพระกรรมฐาน จะเป็นพิสุจสมณในนุบาสุคมบาศิกายก็ดีรับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับกไปสู่บายภูมิ สำหรับเวมาในกะเรตระดับที่สองนี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายและสัตว์สำหรับเปรตพวกนี้ ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ็ดนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกพี่สวยๆเอาเก็บไว้ให้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดี นักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านเขาดีที่พูดนี้เขาหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว <c oughs> สัตว์ทุกประเภท <c oughs> ที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการท่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แลว้วกะอย่าตามใจคนเสมอไปที น, นี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเปการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่คนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่วกินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านนหลายจงวัดกาลังใจของท่านกัตสัตว์ดูว่าสัตว์ทุกระเภทมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านอยาจะถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจริงจะมีโทษ ก็ น, นี่ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเ <c oughs> ออคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลียงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อใชเสมอถ้าหกว่าเราจะไปสู่กันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททัามาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มีความปรารถนาในรถความเปลี่ยนแปลงในรถย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าว่าะถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสรภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าทนาหลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ มีความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาบราณีแต่ากา็ไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีท้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชีวโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสแยเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกับริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีรกำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีมาชั้นใดท่านที่มีอารมณ์ไม่ตาในสัตว์สงเคราะหสัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้ไม่ความเม่ตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่เนื ว, ว่าการขาดอิสระภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสําหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน อะไรก็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์เอไว้สัตว์ไม่มีสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทั้งหลายสำหรับเวเวมานิกระเปรดระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมันของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณรอมรอบมีเครื่องทิศเตรียมการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิศร่างกายของเปรตคนนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแว่รอมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่ถ้ว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวีมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้ภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวด า, าออกได้เพราะเทวด า, ามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จำกัดไม่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักรมีกงจักรหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบรอบวิมานตลอดเวลา ถ้กว่าเทวดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกคำว่าเทวดาก็ได้แต่ว่าเทวดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตเจียงเรียกว่าวิาวามานิกเปรตถ้าว่าเธอจะยืนอออย่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปก็เลยวิมานนิดเดียวกองจาจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายืน่นนิ้วสาวออไป ศีสาก็จะถูกกงจัดตัดฟันทันทีเป็นอ น, นว่าเปรตพู้นี้หรือว่าเทวดาพู้นี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอมันดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่มีความเมตตาปราณี ความจริงผลเรื่องความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสนรเสริญว่าเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้าจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัรสมานสามากีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกือกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปได้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อันนี้แต่ว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตจุติวเทวดาท่านหลายที่ตกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดงเปรดเธอมีความเมตตาปรานีทำไมผลเรื่องความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของปุญญาที่การที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบปฏิเมตตา <c oughs> จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชาก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวนาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงดงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบริกแก้วทันหลายเปล่าเปล่าร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวยัยสดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันนรืว่าเลี้ยงนกเขาวไว้ขันเขาขันแข่ง ข, ข, ขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบ ถ, ถูกตีหรืว่านายนิตยบาลญัติปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กจะท้าอาจารย์ตีก่หินเหล็กหรืว่า แล้ววาตถุที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปรนปรือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเขาไม่ตาแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสรภาพเขาก็เลยเต้ากลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกัก บ, บริเวณการถูกกัก บ, บริเวณก็ไม่กักเฉยเฉยเรื่องการกัดเทวดานี่กากัดยากเพมีสภาพเป็นทิพไม่ต้องมีช่องสําหรับลอดแกเข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรามาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บรักกันกัรกันท่านก็คือกงจักรไอ้กงจักรก็เป็นกงจักรทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะคนไปได้มี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดเป็นไปตามเหตุผล จะนั่นขอบรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะรวบรวมละมัตตวางใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงย่าเป็นผู้ไม่มีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทํากษัตริย์มีโทษอย่างนี้ถ้าทํากับคนจะไม่มีโทษทํากับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูมว่าจะมีโทษ ร, ร้ายแรงกว่าทำกัตริย์พราะว่าบรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากขนาดดูไม่กัน <c oughs> เป็นอนว่าขอมันดาท่านพโยคาวจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ได้วยเหตุและผล มีบริการหนึ่งสาหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยพระอย่างยิ่งพิโสสมันเลนโนมาสุกุมบาสีกาถ้ากล่าวว่าเป็นผู้ ส, ส่งศีลแล้วก็เป็นผู้ส่งธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่เคราดห์นววากันโดยสำหรับาระอนเนนอาจระอาเจห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมออว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภายในสงสารที่เราเรียกกันว่าบิโุหรว่าพิสุพิสุปแปลว่าเห็นภายในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง ที่ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาพวกบทเพื่อเอาศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นฆราวติเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวชเข้ามาในาศาสนาขขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธาศาสนิกนชนที่มีความเคารพในพระพุทธาศาสนาก็เทอดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จไปจอมไตรพระมาสศาสดา บางท่านน่ดูกระเผือนคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คลาา้ายกับพระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัติความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมหากระบิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอาบายภูมิมันกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้แก่นหนึ่งจิตติดในโรมณ์คนราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มปด้วยความโลภโมโทสันในลาบยศเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาที่สืยะพวกคนอื่นเสียดสีค่อนแคติเตียนพวกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็อารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นฆรวาวาสก็เป็นฆรวาวาสเลวลการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการมีสี่เต็มไปความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทำเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเด้วยนั้นว่าเป็นผู้ทําลายระบบศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรหัสนสีบรมศาสนดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นนว่าจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดเขาเย็นเสียเวลาเปลา่ามาราษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเป็นสมณเพศทําอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเวมาที่กระเปริกคือหมายว่าบันลงอเวจีไปที่ที่ทำอย่างนั้นทําไปด้วยความเข้าใจผิดคําว่าเข้าใจผิดก็เรียกคำ ว, ว่ามิชัยทิฏฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอานิสงส์บรรดาญความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทําผิดมันก็พูดผิดเพาเราคิดผิดอานิสงส์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษตั้งใ น, านาชาติปัจจุบันและสัมปรายะภพเจนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายที่เป็นอมบาสกอมบาสีกาก็ขขดี ี่สุจนเันเองก็ดีจงระลึนกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินสีที่ทรงตัสว่าอัตนายโยตโจเชตา น, นังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเขามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่าน้ำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยติธรรมคำส อ, สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเท่าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดี ถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทําก็ทําชั่วถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันสนศกเส้นเบญุกธรรมก็เป็นเสียงที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิสุทธิ์สมณีทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้เซงบอลระวังไว้ คือว่าจิตส่งไว้หนึ่งอาทิศีนศีขาทรงศีลให้บริสุทธิ์อาทิจิตเจือศีขาทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นอาทิปัญญาจิตขาทรงวิปัสนาญาณให้แจ่มใสถ้านนั่งหลายจะคุ้น จ, กจักรวาลยบภูมิด้วยประการทั้งปวงแล้วจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้เราต่อที่นี้ไปเขามาดาท่านอย่างไย เวอาการแนะนำกันก็สมควรแก่เวลาขอทุกท่านผู้รับฟังจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผูนผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิธษ์พรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระละและปฏิพ า, า์หาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ให้ได้เสียงนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการ สำหรับต่อนนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายโปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน